มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาทุติยวัคอาชานนตะสะปาปะกรณะอปุญญะปัญหาที่เก้าถามว่าเดิมกล่าวว่าคนไม่รู้บาปทำบาปได้บาปมากเหตุไรวินัยจึงว่า ภิกษุทาโดยไม่รู้ไม่ต้องอาบัตเล่าสมเด็จพระเจ้าวิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามอัธปัญหาอื่นเล่าว่าพันเตนาคะเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาตุมเหพระนธะพระผู้เป็นเจ้าว่าไว้กับโยมแต่ก่อนนั้นว่าโยปุขโลบุคคลจำพวกใดไม่รู้จักบาปกรรมและกระทำบาปกรรมมีปานาติบาตเป็นต้น ได้บาปมากแล้วกลับว่าสมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาพมีพระพุทธดีกาตรัสไว้ในวินัยบัญญัติว่าพระภิกษุกระทํากรรมด้วยไม่รู้หาอาบัติไม่ได้ตกว่าคําทั้งสองไม่ต้องกันจะเชื่อเอาคําที่ว่าไม่รู้กระทํากรรมหาอาบัติไม่ได้นี้คําเดิมที่ว่าบุคคลไม่รู้กระทําบาปกรรมได้บาปกรรมมาก ก็จะผิดครั้นจะเชื่อเอาคำเดิมว่าบุคคลไม่รู้กระทำบาปกรรมได้บาปกรรมมากนี้คำภายหลังว่าพระภิกษุไม่รู้กระทำบาปกรรมหาอาบัติไม่ได้ก็จะผิดอายังปันโโหอันว่าปริศนานี้เป็นอุพโตโกติทุรุตตะโมเหมือนทางไกลสุดโสดแสนยากที่จะจรทุปปาระคามี ดุษาครมหาสมุทรสุดที่จะข้ามฝั่งได้ปัญหานี้เคลือบแคลงเป็นที่สงสัยนักหนาตวานุกปตโตมาถึงพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาในการบัดนี้พระนาคเษณผู้ประเสริฐสงองค์อรหันปัญญาปฏิสัมพิธามีอริยะวาจาตอบว่ามหาราชะ ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมผานผู้ประเสริฐในมหายสุริยะสริงคานสมเด็จพระศาสดาจารย์ปโปรดประทานไว้ว่าบุคคลผู้ใดไม่ได้รู้จักบาปกรรมมากระทําบาปกรรมได้บาปกรรมมากสมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงสวัสดิภาพมีพระพุทธดีกาบัญญัติในวินัยว่าภิกษุไม่รู้และกระทําซึ่งกรรมนั้น หาอาบัติไม่ได้ความทั้งสองนี้อัดทันตรังมิอัดแปลกกันคําที่ว่าไม่รู้หาอาบัติไม่ได้นั้นคือภิกษุกระทําซึ่งกรรมอันใดด้วยจิตมิได้มีสัญญารู้เห็นคือมิได้สําคัญไม่ทันรู้สึกว่าสัญญาวิโมกสมเด็จพระบรมโลกกาณาเจ้าอารัพะ ปรารถนาเอาสัญญาวิโมกนั้นจึงบัญญัติว่าพระภิกษุไม่สำคัญไม่ทันรู้กระทำกรรมหาอาบัติไม่ได้ต่างกันกับตรัสไว้ในพระสูตรที่ว่าบุคคลไม่รู้จักว่าบาปกรรมทำบาปกรรมได้บาปมากจะได้เถียงกันหาบ่ไม่ได้บ่พิทระราชจะสมผานพึงเข้าพระไทยด้วยประราการดังนี้ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโองคงการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาปัญหาพยากรพระผู้เป็นเจ้าแก้ไขนี้สาธุดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าโยมจะรับประทานไว้เป็นข้อปฏิบัติอาชานันตะสะัสาปาปะกรณะอปุญญะปัญหาเป็นที่คำรบก้าวจบเพียงนี้